วันหนึ่งเป็นวันที่จะได้ฟังเรื่องตื่นเต้นอีกครั้งคือเรื่องภาพปั้นท่านเศรษฐีที่ทําให้เกิดเหตุอื้อฉาวกับคุณนายนิ่มนวลผู้ที่เป็นลูกสะภา้าในตอนเย็นวันนั้นผมไม่คิดเลยว่าจะได้พบกับนายมั่นเลยเราไม่ได้พบกันหลายวันแล้วปกตินายมั่นจะมาคุยกันที่กุฏิคุณนพวัดระคังเป็นประจำเราก็เคยพบปะกันเสมอ แต่ว่าครั้งนี้ในม่นหายไปหลายวันเห็นทีว่าแกจะหลบหน้าคุณนิ่มนวลไปให้พ้นเกรงว่าจะมารบกวนเกี่ยวกับภาพปั้นผีสิ่งนั้นผมบอกกับคุณนบว่าจะไปหาครูพยุงออกจากตรอกวัดก็บ่ายหน้าไปสู่ถนนสิริราชแต่พอผ่านหน้าร้านเหล้าร้านหนึ่งก็ได้ยินเสียงตะโกนเรียกคุณสมยัยคุณสมยัยเสียงนี้ผมคุ้นหูจริง เสียงในมั่นนั่นเองไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกผมรีบหันไปมองก็พบในมัน่นลุกจากเก้าอี้ยืนขึ้นกวากมือย้อยๆเรียกผมผมก็หมุนตัวเข้าไปหาเพราะว่าอยากพบอยู่แล้วไม่ได้ดื่มเหล้าด้วยกันมาหลายวันนี่ก็เป็นเวลาเย็นพอดีพอเข้าไปใกล้โตะนั้นก็เห็นมีชายอีกสองคนนั่งอยู่ด้วยก่อนแล้วในมั่นรีบแนะนาให้รู้จักกันทันทีคุณสมัยครับนี่คุณมุดแล้วก็คุณเดะ ประดาน้ำที่ผมให้แกช่วยงมภาพปั้นผีสิงนั่นแหะครับนายมั่นแนะนําผมอ๋อยินดีที่ได้รู้จักครับผมพูดกับนายสองนักประดาน้ำนั้นฝั่งชื่อก็รู้ว่าน่าจะเป็นคนไทยอิสลามวันนี้บังเอิญมาพบกันเข้าก็เลยคุยกันเรื่องเก่านั่นเองนายมั่นว่าคุณสมัยลองฟังเรื่องภาพปั้นยุ่งยากนั้นด้วยหูเองจากคําบอกเล่าของคุณสองคนนี้ดูบ้างเถอะมันพิลึกจริงๆเลยนะครับนายเดะกับนายมุด ได้ยินดังนั้นก็ยิ้มแล้วก็ยกแก้วเหล้าที่ยังคงค้างอยู่ดื่มรวดเดียวจนหมดส่วนในมั่นก็จัดการรินใส่แก้วให้กับผมพร้อมกับผสมโซดาให้เสร็จสับแม้คุณเอ้ยผมเกิดมาก็เพิ่งจะเคยพบภาพปั้นที่ร้ายแรงแบบนี้ในเดะพูดจริงครับถ้าสมมุติว่าผมรู้นะว่ามันจะร้ายแรงขนาดนี้เนี่ยผมไม่รับงานนี้โดยเด็ดขาดตอนที่คุณมั่นไปว่าจ้างผมนะก็ไม่ได้เล่าเรื่องร้ายแรงของภาพปั้นนี้ให้ฟังเลย บอกเพียงว่ารูปปั้นมันตกน้ําเท่านั้นเองผมก็รับไปงมให้แต่เอาเข้าจริงสิในเดชหยุดดูดบุหรี่คุณมั่นเพิ่งเล่าให้ฟังตะกี้นี่เองแหะครับว่ารูปปั้นเนี่ยมันมีประวัติร้ายกาจพวกผมก็ลงไปพบก็พากันขนลุกเกลียวกันหมดผมเองก็เพิ่งจะรู้ความจริงจากสองคนนี้เหมือนกันครับคุณสมัยคุณสองคนนี้แกเพิ่งจะเล่าให้ผมฟังว่าความจริงดําลงไปแล้วก็พบภาพนั้นแหละ แต่พอโผล่ขึ้นจากใต้น้ํากลับบอกว่าไม่พบดํายังไงก็ไม่พบในมั่นพูดเอา้าทําไมเป็นอย่างนั้นล่ะครับเอพี่ลึกนะผมชักสงสัยแล้วก็สนใจแล้วล่ะสิคุณทั้งสองเนีพบรูปปั้นที่ใต้น้ำเหรอครับผมถามด้วยความสงสัยและสนใจเนี่ยก็เพราะว่าเรารักกันหรอกนะถึงได้บอกความจริงผมไม่บอกความจริงกับนายจ้างก็เพราะว่าไม่ไหวจริงๆ แย yeah, ่จริงๆครับคุณรูปปั้นนั้นเนี่ยมันไม่ใช่รูปปั้นธรรมดาตั้งแต่ผมเกิดจากท้องพ่อท้องแม่มาเนี่ยผมก็ไม่เคยเห็นรูปปั้นแบบนี้เลยนะครับในมุดพูดโบกไม้โบกมือไปมาใครจะบอกได้หรอว่าพบแล้วพวกเรากลัวจริงๆครับมันไม่ใช่รูปปั้นนี่ครับนี่มันผีแท้ๆเลยนะ่ะยืนอยู่ใต้น้าในเดะพูดความจริงตกลงไปใต้น้าก็น่าจะนอนตะแคงแต่เนี่ยยืนจังก้าอยู่ใต้น้า พอเราเข้าไปใกล้เท่านั้นแหละมันทำอ้าแขนจะตะครุปตัวเราในตานี่ก็มีแสงสีแดงด้วยใครล่ะใครจะเอาในเดะพูดแล้วสั่นหัวโอ้โหเอาอยัางงั้นกันเลยเชียวหรือครับผมครางออกมาแล้วก็มองหน้าเขาพระอันเลาะเป็นพยานเถอะครับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ได้โป้โปดเลยในมุดพูดส่งเสริมพอผมสองคนโผล่ขึ้นจากน้ามาเกาะเรือทุ่นของเราก็าหาลือกันว่าถ้าบอกนายจ้าง ว่าพบแล้วก็ต้องลงไปอีกใครล่ะครับจะกล้าเข้าไปเอาเชือกเอาลวดสลิงผูกโอ้ไม่ผูกมันก็กว้านขึ้นไม่ได้ผมกลัวจริงๆครับเราก็เลยหาดูกันว่าต้องโกโหกว่าไม่ไม่พบให้ตายสิเป็นประดาน้ำมาหลายปีแต่เค้ตแต่โขงไม่เคยกลัวทั้งนั้นแต่นี่ไม่ไหวครับหนาวเหมือนจะเป็นไข้เล ย, ยพูดแล้วขนลุกถึงจะได้ราคาดียังไงผมก็ไม่รับประทานแล้วครับพูดแล้วก็ดื่มเหล้า ผมฟังเรื่องเล่าของเขาแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็เห็นใจเขาจริงๆมันไม่ใช่บนบกที่จะได้มองเห็นคนโน้นบ้างคนนี้บ้างนี่มันใต้น้ําก็ดูเปลี่ยวเปล่าอยู่ภาพปั้นตัวนี้ไม่ใช่ธรรมดาเราก็รู้เรื่องร้ายของเขาถ้าเป็นภาพปั้นธรรมดาดีๆอย่างใครเขาอื่นจะต้องเสด็จไปอยู่ในน้ําทำไมกันก็พระวุ่นวายนักจึงต้องไปอยู่ใต้น้าแม่โวยตกลงไปยังยืนอยู่ซะ อ, อีกด้วย ซ้ำโตเท่าคนก็เลยมองเป็นคนเลยขณะนั้นเจ้าของร้านได้นำกุ้งเผาตัวงามๆปอกเปลือกแล้วก็หั่นเป็นคำโรยพริกขี้หนูมาให้แล้วก็มีมะนาววางมาข้างๆจานมีใบสะระแหน่ใส่จานพิเศษมาด้วยช่างถูกใจผมนักเจ้ากุ้งนี้เนี่ยถาพลาดหรือว่าเอาไปยำโอ้คงอร่อยไม่เท่าอย่างนี้แน่นอน บางทีชัดจะปลาปลากสู้จิ้นกุ้งแล้วก็กระเทียมใส่ปากแล้วก็เอาใบสะระแหน่ตามทีหลังมันช่างอร่อยเหาะเลยจริงๆจะเปรี้ยวจะเค็มเติมเอาเองมันถึงใจพอกินกุ้งเผาเข้าไปก็เลยคุยกันถึงเรื่องของกุ้งเรื่องของปลาใหม่ๆ ส, สดๆในมั่นก็พูดขึ้นว่าถ้าจะกินกันให้ดีก็ต้องไปบ้านเพื่อนเค้าที่คลองรังสิตจะตกเบ็ดมาเองจะทอดแหมาเองหรือว่าจะซื้อจากเรือที่หามามากมายปลาสดจริงๆ กำลังนี้ก็น้ําเริ่มลดแล้วกําลังเกิดทีเดียวปิ้งเองทอดเองเอายังไงก็ได้ทั้งนั้นผมฟังเขาพูดก็เห็นจริงน่าจะไปแต่ว่ากเกรงจะไม่มีเวลาพอที่จะไปกินปลากินกุ้งที่นั่นอยากกินก็ซื้อเอาที่กรุงเทพนี่แหละผมไม่ได้สนับสนุนข้อเสนอของนายมัน่นก็เลยลากันไปในเรื่องจะไปกินปลาห่างบ้านแต่ยังไงไม่รู้อยู่ๆก็ต้องออกจากกรุงเทพซะจนได้เพราะว่า ญ, ญาติของคุณ น, นกที่อยู่ห่างทางบางแสนได้เกิดเสียชีวิตขึ้น คุณนบชวนผมแล้วก็ในมั่นไปด้วยในมั่นไม่ขัดข้องเพราะว่าอยากจะไปให้พ้นบ้านของตัวอยู่แล้วด้วยเกรงคุณนายนิ่มนวลจะมารบกวนอีกเพราะได้ข่าวว่าทางบ้านคุณนายเกิดวุ่นวายเรื่องรูปปั้นใต้น้ํามาเข้าฝันบอกว่าอยากจะขึ้นบนบกอีกละบ้านญาติคุณนบอยู่ที่ชายหาดทีเดียวแต่ว่าไม่ใช่ที่บางแสนนัก ไปลงรถที่ต่างอากาศบางแสนแล้วก็เดินเลาะชายหาดไปทางซ้ายมือจนจะเข้าเขตหลังหนองมนบ้านอยู่ชายหาดทีเดียวหน้าบ้านรับลมอู้เขามีสวดอภิธรรมกันหลายคืนเพราะว่าญาติมากก็สวดต่อกันไปเรื่อยๆนิมนพระจากวัดหนองมนนั่งรถวิ่งลัดมาถึงกันได้ผมกับนายมั่นได้กินปลาสดกันสมใจเลยดื่มเหล้ากับปลานึง่งปลาผัดอร่อยไปเลยกลางคืนพระสวดจบเรานอนกันที่เฉลียงหน้าบ้านรับลมตลอดคืน ผมกับนายมั่นโปรดนะักอ้างว่าลมแรงดื่มเหล้าไม่ค่อยเมาดีแล้วก็นอนหลับสบายญาติคุณนบที่ตายยังเป็นสาวอยู่ทุกคนจึงต่างสงสารแล้วก็อาลัยกันมากแต่ผมกับนายมั่นไม่เคยรู้จักแล้วก็ไม่เคยพบจึงไม่อาลัยอาวร์อย่างเขาดวดเหล้าเข้าไปแปะแล้วก็หลับสบายไปเลยคุณนบนอนบนเก้าอี้นวมสำหรับนอนเล่นแล้วก็วางที่เฉลียงชิดลูกรงด้านหนึ่งผมกับนายมั่นบรรทมเข้าที่เสือปูชิดคุณนบ พลิกความพลิกหงายสบายเพราะว่าพื้นเป็นพื้นกระดานส่วนคุณนบสิอีกที่ต้องนอนที่แคบๆ แ, แต่ก็จําเป็นท่านเป็นพระก็ต้องนอนสูงกว่าเราแต่ท่านนอนได้คืนเดียวท่านก็บ่นว่าเมื่อยนอนไม่สบายท่านจึงแยกย้ายไปนอนเตียงไม้เตี้ยอีกด้านหนึ่งผมกับนายมั่นนอนที่เก่าได้เลื่อนตําแหน่งขึ้นนอนเก้าอี้นวมแทนคุณนบแต่เจ้ากรรมมันก็ไม่เมื่อยอะไรนะักแต่มันจะตกนะสิ นอนได้ไม่ตลอดคืนก็เสด็จกลับลงมานอนกองกับเสือข้างในมั่นตามเคยคงปล่อยเก้าอี้ว่างไว้เฉยเพื่อเป็นเกียรติดีกว่าตกลงมาตายอายเขาถ้าใครรู้คืนหนึ่งดูจะค่อนรุ่งแล้วผมรู้สึกตัวตื่นก็เหลียวไปดูที่เก้าอี้นวมเพราะรู้สึกเคล็ดคายว่ามีใครมานอนผมเห็นคนนอนจริงๆจึ ง, จงพงหงกหัวดูเพราะอยากรู้ว่าใครนอนกันแน่รู้จักกันหรือเปล่าแต่ก็ต้องสะดุง้งเพราะผู้ที่นอนอยู่เป็นผู้หญิงแท้ผมชักงงงนัน เอ๊ะผู้หญิงที่ไหนมานอนเรี่ยราดอยู่กับผู้ชายที่ไม่รู้จักกันผมลุกขึ้นนั่งจุดบุหรี่ดูดอยู่คนเดียวในยามดึกหญิงคนนั้นนอนหลับอย่างสบายผมสูบบุหรี่แล้วก็นอนหลับต่ออีกแต่คราวนี้นอนห่างออกมานอนเบียดเข้าไปทางในม่านจะนอนชิดเก้าอี้อย่างเดิมใครมาเห็นเข้าจะน่าเกลียดและเอาไปเล่าลือตื่นเช้าขึ้นมาหญิงคนนั้นตื่นก่อนผมผมเลยไม่เห็นว่าเธอเป็นใคร ผมนิ่งอันไม่บอกใครทางก็ไม่ได้ถามใครด้วยว่าเมื่อคืนผู้หญิงคนไหนมานอนอยู่ข้างผมเพราะว่าบ้านของเขาตรงไหนว่างพอมีที่เขาอาจจะมานอนได้ตามใจเขาหากแต่จะน่าเกลียดอยู่ก็ตรงที่มานอนกับคนที่ไม่รู้จักกันเท่านั้นเองและในคืนต่อมาก็เป็นไปนดังนั้นอีก ผมชักใจไม่สบายนอนไม่ค่อยหลับผมแกล้งนอนตะแคงหันหลังให้แกกันข้อที่น่ารังเกียจไว้ก่อนแต่ครั้นดึกเข้าอีกผมตื่นขึ้นก็ไม่เห็นผู้หญิงคนนั้นที่เก้าอี้ผมพยายามสอดสายสายตามองหาเธออีกครั้งหนึ่งถึงได้รู้ว่าเธอคนนั้นไปยืนอยู่ที่นอกชานตากลมอยู่กลางดึกผมเลยนอนเฉยหลับตานิ่งในครู่นั้นก็รู้สึกว่าแกกลับมานอนอีกดังเดิมผมนอนนิ่งทำไม่รู้ไม่ชี้แต่กลับได้ยินแกพูดเบาๆกับผมบอกว่า คืนพรุ่งนี้ฉันคงลำบากแน่ๆจะมีพวกมาจากบ้านไกลามานอนด้วยไม่รู้จะนอนที่ไหนกันผมนอนตัวแข็งด้วยละอายใจแม่คนนี้แกพูดคล้ายๆจะขอความเห็นใจจากผมการที่ผมมานอนที่นี่ก็เท่ากับว่ามาเปลืองที่นอนของพวกแกเหมือนแกจะขอความเห็นใจหรือให้ผมช่วยเหลือแกถ้าผมรู้เรื่องตั้งแต่แรกผมก็ชวนนายมั่นออกไปนอนตากน้าค้างกันที่นอกชาญซะแล้ว ชักกลุ้มใจเพราะเห็นแกผุดลุกผุดนั่งอย่างไม่มีความสุขถ้าแกคงเมื่อยอย่างพวกเรานั่นเองผมก็ไม่รู้จะทำอย่างไรมันดึกเสแล้วจึงแยกย้ายกันไปไหนก็ยากผู้หญิงคนนั้นคงจะรู้ทันผมอีกตามเคยก็เลยพูดขึ้นเบาๆยังไม่ต้องร้อนร‑‑ดนอะไรหรอกค่ ะ, คะนอนไปก่อนเถอะแต่คุณคะที่ฉันพูดกับคุณ น, นี้นะ่ะคุณอย่าไปบอกใครเลยนะฉันกลุ้มใจก็เลยพูดไปอย่างนั้นเอง พอแกพูดจบผมก็รับคำแกเบาๆเช่นกันก็รู้สึกค่อยซาวความกลุ้มใจไปหน่อยที่พอมีเวลาหายใจไปได้อีกคืนพอคิดขยับขยายไปนอนทางอื่นได้ในคืนพรุ่งนี้ตื่นเช้าผมไม่พูดให้ใครรู้เลยว่าผมชักลำบากเรื่องที่นอนด้วยเราเองเป็นคนบ้านไกลาไมาแย่งที่หลับที่นอนของคนที่นี่เขาชักอึดอัดใจอยากจะกลับกรุงเทพแต่ขัดอยู่ที่คุณนพยังไม่กลับก็เลยยังกลับไม่ได้ พอตกเย็นผมกับนายมั่นก็ดื่มกันเข้าไปพอสบายก็พูดกับคุณนบขอมานอนแท่กข้างเตียงคุณนบด้วยในคืนนี้ทั้งสองคนกับนายมั่นพอคุณนบมองหน้าผมแล้วถอนใจบอกไม่ขัดข้องเลยพยักหน้าและบอกว่าดีเหมือนกันมานอนซะท้งนี้ขอให้ทนเอาอีกสองคืนก็จะกลับวัดของเราละ คืนนั้นเราก็ย้ายที่นอนกันมานอนข้างๆเตียงคุณนบส่วนทางที่เก่าที่เคยนอนทิ้งว่างอยู่ก็เห็นใครหนุ่มๆที่มางานนี้เมื่อตอนเย็นมานอนที่แทนผมแทนตัวบนเก้าอี้นวมนั้นยังคงว่างอยู่เฉยๆไม่มีใครนอนตกดึกนั้นผมได้ยินเสียงอึกอะคล้ายคนนอนละเมอพูดอะไรอุบอั บ, อ บ, อบฟังไม่รู้เรื่องในที่สุดคนละเมอคนนั้นก็ลุกทะลึงพวดพลาดออกจากที่นอน ผมเดี๋ยวหน้าไปดูทางด้านที่เกิดเสียงก็เห็นว่าชายหนุ่มที่มานอนใหม่นั้นแกลูกจากที่นอนอยู่เก่าโผมาหาผมและนายมั่นอย่างตึงตังคุณนบนอนอยู่บนเตียงก็พลอยตื่นไปด้วยชายหนุ่มคนนั้นมีอาการหนาวสะทานเหมือนจับไข้และเบียดผมกับนายมั่นแน่นแข็งใจไว้เสียงคุณนบพูดเบาๆแล้วเอามือจับบ่านายคนนั้นประเดี๋ยวก็สว่างแล้วทองแท้แข็งใจไว้ทองแท้ คุณนบออกชื่อใจคนนั้นบอกให้แข่งใจผมชักโฉนใจแล้วก็เหลียวไปดูทางเอี้นั้นแต่ก็ไม่มีอะไรทุกอย่างเงียบเชียบแม่หญิงที่เคยมานอนใกล้ผมก็ไม่ได้มานอนอย่างเคยแกคงหาที่นอนใหม่ได้แล้วกระมังจึงไม่มานอนที่เก่าผมกวาดตามองดูข้างๆตามหมู่คนที่นอนก็เห็นว่าทุกคนนอนหลับอยู่อย่างสงบสุข ไกลเข้าไปในห้องกลางลงศพตั้งอยู่มีแสงตะเกียงจุดไว้อดามตลอดคืนเงียบทางบ้านไม่มีใครตื่นผมจะหลับไปอีกรอบหรือเปล่าก็ไม่ทราบตอนเช้าเห็นนายหนุ่มคนนั้นนั่งเกาะคุณนบอยู่หน้าของแกขาวซีดถ้าแกจะจับไข้กระมังโดนลมเข้ามากๆผมกับนายมันน่นสบายดีชอบลมโกรกนะักหายเมาสุราเร็วดีถ้าคนโรคไม่ชอบลมแรงๆมาโดนเข้าก็อาจจะเป็นไข้ได้ เช้านั้นพอเรากินข้าวกันแล้วคุณนบเกิดตัดใจลาเจ้าของบ้านกลับผมก็ดีใจจากกลับกรุงเทพมาหลายวันชักคิดถึงครูพยุงเราก็เลยรวบรวมผ้าผ่อนเข้ากระเป๋าลาเจ้าของบ้านกลับเดินออกชายหาดตัดตรงเข้าเ ข, าเขาตตากอากาศบางแสนอย่างที่เคยเดินเมื่อขามาในขณะนั้นได้ยินเสียงวิ่งหยาะๆตามหลังมาเหลียวไปก็พบกับนายทองแท่นั่นเองผมกลับด้วยคนครับเขาร้องบอก แล้วก็มาเดินเข้ากลุ่มไปด้วยกันอ้าวกลับหรือคุณนบถามนายทองแท้ครับไม่ไหวอะ่ะนายทองแท้ตอบเท่านี้เองอืมคุณนบรับรู้เหมือนครางออกมามากกว่าจะพูดเป็นคํนายทองแท้เดินตามมาด้วยหน้าตาซีดเซียวพอย่างเข้าเขาเตตาอากาศก็มีรถเมล์แล้วก็รถส่วนตัวของใครต่อใครวิ่งกันขวักขวายชายหนุ่มหน้าซีดบอกลาคุณนบแล้วก็พวกเราแล้วขึ้นรถเมล์ไป เขาจะไปไหนผมไม่ได้สนใจเพราะว่าไม่เคยรู้จักเขาเรามาดื่มกาแฟกันที่บาร์นมั่นยังคงติดใจเหล้าที่เคยดื่มแล้วก็ดื่มอีกเรื่อยๆก็เลยพาเอาผมเนี่ยเป็นโรคติดต่อไปด้วยเอ้นายทองแท้นี่แหละคือคนรักของแม่บานชื่นคนที่ตายแล้วก็นอนอยู่ที่โรงนั่นแหละนะคุณนบบอกกับพวกเราเขาเคยรักกันมากแต่ยังไงไม่รู้เกิดมาหมางกันขึ้น นายทองแท้นี่แยกไปมีรักใหม่ส่วนแม่บานชื่นก็เลยเสียใจเจ็บกระสอบกระแสะมาจนตายจากไปในมั่นกับผมถึงกับร้องอ๋อเพราะไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันเพราะไม่คุ้นเคยกับเขามาเลยท่านพูดให้ฟังก็ฟังไปธุระก็ไม่ใช่ฉันรู้ว่าสมัยนอนไม่หลับคุณนกพูดแล้วก็ยิ้มพร้อมกับมองหน้าผมครับผมรีบตอบความจริง ผมเนี่ยกลุ้มใจเพราะว่ามีผู้หญิงที่ไหนก็ไม่รู้มานอนอยู่กใกล้ๆรู้สึกว่าน่าเกลียดนะถ้าหากว่าใครเข้ามาเห็นเข้าในเวลานั้นจะใครเล่านอกจากสมัยคนเดียวคุณนบพูดเป็นในในฉันก็นอนอยู่ห้องข้างๆถัดไปก็มองเห็นสมัยตลอดไม่มีใครเห็นแน่ทีเดียวเพราะว่าผู้หญิงคนที่มานอนข้างสมัยน่ะก็คือแม่บานชื่นผมสะดุ้งเหมือนกระโดดมองหน้าท่านอย่างตกใจโอ้ยคนที่ตายอยู่ในโรงนั่นเหรอครับท่าน ผมถามท่านแล้วก็ต้องตะลึงงินพูดอะไรไม่ออกก็ใช่นะสิคุณนพตอบแล้วก็หวัวเราะฉันเนี่ยถูกมาก่อนสมัยแล้วในคืนแรกที่ฉันไม่พูดก็เพราะว่ากลัวจะอื้อเชา้าฉันเพิ่งถามพี่เลี้ยงพ่อของบานชื่นดูก็เลยรู้ว่าบานชื่นเนี่ยนอนเล่นบนเก้าอี้นอนนั้นแล้วก็ขาดใจตายบนนั้นในคืนแรกที่ฉันนอนแกก็มาขอที่ของแกนอนฉันก็เลยเปลี่ยนที่นอนในคืนหลัง ครั้นจะพูดขึ้นแล้วก็เล่าให้คนในบ้านก็กลัวว่าเขาจะกลัวเดี๋ยวมันจะวุ่นกันไปใหญ่แม่บานชื่นมาทำอะไรกับสมัยละ่ะคุณนพถามผมเมื่อท่านเล่าเรื่องของท่านจบก็อย่างเดียวกันแหละครับแต่ผมลงมานอนข้างล่างเองเพราะรู้สึกว่ามันจะตกเก้าอี้เวลาหลับก็กลัวอา้เขาครั้นลงมานอนข้างล่างแล้วสิตื่นขึ้นตอนดึกก็เห็นว่าเขามานอนอยู่บนนั้นผมก็คิดว่าเอ๊ะใครกันเขาไม่มีที่นอนก็เลยมานอนตรงนี้หรือเปล่า ครันลุกขึ้นดูก็เห็นว่าเป็นผู้หญิงผมก็ตกใจมันน่าเกลียดครับแต่คืนหลังมาอีกแกพูดกับผมเลยครับพูดอย่างบน่บนๆว่าจะมีพวกของแกเนี่ยมานอนอีกก็ไม่รู้ว่าจะให้ที่นอนที่ไหนแกบ่นกลุ้มใจผมก็เลยตอบแกว่ารุ่งขึ้นจะหาที่นอนใหม่นี่แหละครับผมโดนอย่างนี้อุบะนมั่นร้องผมนี่นอนเหมือนตายไม่รู้เรื่องอะไรกับเขาเลยถ้ารู้บ้างเนี่ยผมก็เห็นจะกระโดดสักคืนนั้นแล้ว เราพูดคุยกันอยู่อีกสักพักใหญ่พอรถเมย์อีกคันหนึ่งมาถึงก็เลยขึ้นรถกลับกรุงเทพกัน